มาจากจับใจจริงๆเลยนะ ท, ที่ฟังแล้วเนี่ยคือมันมันเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าพอมีความเข้าใจมีความชัดเจนเนี่ยมันไม่สงสัยอะไรหรอกเพราะว่าธรรมะมันก็ปรากฏต่อหน้าต่อตาอยู่แล้วใช่ไอย่างที่หลวงพ่อยกตัวอย่างแค่บางเรื่องเรื่องของการถามอย่างเนี้ยเมื่อรู้ว่าถามเนี่ยนี่เท่ากับว่าเห็นการเกิดละแล้วก็แล้วก็สามารถเห็นความดับก็คือหมดไปนะเพราะนั้นจริง จริงๆแล้วเนี่ยธรรมะมันก็มีแค่นี้แหละมีเกิดมีดับมันก็มีเท่านี้ไม่ว่าจะเป็นสภาวะอะไรนะแต่การเห็นเนี่ยมันทําเขาเรียกว่าทําให้เกิดความเข้าใจแล้วก็ทําให้เกิดการรู้แจ้งเห็นแจ้งรู้แจ้งรู้จริงรู้จริงว่าอ๋อธรรมชาตินี้เกิดแล้วอ้ามันดับแล้วเนี่ยเท่ากับมีการเห็นเห็นแจ้งแล้วก็ไม่ต้องถามใครจริงๆเพราะเห็นอยู่รู้อยู่นะมันก็ไม่มีผู้เห็นหรอกเพราะว่าธรรมชาติ ที่ธรรมชาติที่เป็นธรม ร, ธรมชาติรู้ธรรมชาติเห็นเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเหมือนกันส่วนธรรมชาติที่ปรากฏที่เกิดมันก็มีแล้วก็หมดมันก็ทั้งหมดเลยทั้งสิ่งที่เกิดดับมันก็เป็น MM รธรรมชาติและธรม ร, ธรมชาติรู้ธรรมชาติเห็นก็เป็นรธรรมชาติแล้วมันก็รู้มันก็เห็นกันเองเอ่ะเออมันก็เลยรู้แจ้งอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นคําถามที่เราถามเนี่ยโอเคเราเข้าใจไงเพราะว่า ผู้ที่กำลังเดินทางเนาะระหว่างเริ่มต้นปฏิบัติเนี่ยเป็นธรรมดาย่อมมีความสงสัยพอมีความสงสัยก็อยากได้คำตอบเพื่อเป็นแนวทางเพื่อความรู้นะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าหลักการการในนี้ความความรู้สึกส่วนตัวนะหลักการตอบคำถามเนี่ยถ้าตอบคำถามตามที่ผู้ถามเขาต้องการจะจะฟังอะ่ะชี้กลับมาว่าให้รู้อย่างนี้ให้รู้อย่างเนี้ยอย่างเนี้ยถามกันตายแล้วก็ตอบกันตายไม่จบ เพราะว่าไม่ได้ชี้จุดเหตุจุดที่มันเริ่มต้นอ่ะมันอยู่ตรงไหนจุดเริ่มต้นก็คือนั่นแหละเริ่มถามมันแหละถ้าเห็นว่าถามก็แค่นี้เท่ากับว่ารู้แจ้งแล้วแล้วก็พอไม่ถามปับ๊บเอาเงียบไปสักครู่มันก็รู้นะว่าตอนนี้หยุดถามมันก็รู้แจ้งอีกว่าหยุดแล้วแต่เนื่องจากว่าคําถามหรืออะไรเนี่ยมันก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งมันเป็นความคิดเป็นเป็นสิ่งที่มีอยู่ มันไม่ใช่ว่าพอไม่ถามแล้วมันจะไม่ถามถาวอนมันมีเหตุปัจจัยให้คิดให้ถามมันก็ต้องถามแต่รู้ทันรู้ทันจุดเริ่มต้นจุดสตาร์ทของมันว่ามันเริ่มถามแล้วพอมันเริ่มถามก็เห็นไงเห็นเห็นพอเห็นเสร็จแล้วเอามันก็ดับเพราะฉะนั้นเน่ยพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วต่อไปมันก็เข้าใจเลยว่าแล้วจะไปถามหาเอาอะไรอ่ะในเมื่อรู้แจ้งเห็นแจ้งอยู่สภาวะที่กําลังเกิดดับอยู่เฉพาะหน้าแล้วเนี่ยเพราะมันมีแค่นี้เอง ถ้าเราถามไปแล้วใครจะได้อะไรอะ่ะตัวเราก็ไม่มีเอา้าสุดท้ายมันก็โอ้มันไม่มีอะไรต้องถามจริงๆมีแต่รู้แจ้งอยู่นะอันนี้คือหลวงพ่อพูดในเรื่องของสภาวะธรรมแต่เรื่องความเป็นอยู่มันก็ต้องคุยต้องถามก็เป็นปกติแต่ว่าเข้าใจแล้วว่าอันนั้นน่ะมันคือสังขารสังขารมันก็คือมันเป็นเช่นนั้นเองก็คือเนี่ยเรามาเข้ากลุ่มกันเนาะ ก็มาพูดมาคุยก็คุยเรื่องโลกบ้างคุยเรื่องฝนตกบ้างคุยเรื่องน้ําท่วมบ้างแต่ใจลึกๆอ่ะมันเข้าใจธรรมะแล้วว่าสิ่งที่พูดมามันเป็นสังขารเกิดดับสิ่งที่ได้ยินเนี่ยกําลังได้ยินมันก็เป็นสังขารเกิดดับน้ําท่วมก็เป็นสังขารเกิดดับไอ้ที่เรียกว่าคนเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นมันก็เป็นสังขารเกิดดับเอาสุดท้ายเนี่ยมันมีแต่สังเขาเรียกว่ามีแต่สิ่งเกิดสิ่งดับตัวตนหาได้มีอยู่จริงไหมอ่ะ เออทีนี้ถ้าอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความเข้าใจอย่างเนี้ยมันไม่มีใครทุกข์เหตุที่ไม่มีใครทุกข์เพราะว่ามันไม่มีใครมีแต่สิ่งเกิดดับใช่ไหมไอ้สิ่งไม่เกิดไม่ดับมันไม่มีทุกข์โดยอัตโนมัติอยู่แล้วเออเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆหลวงพ่อว่านะการที่จะลงมือปฏิบัติอะไรเนี่ยจริงๆอ่ะมันต้องฟังให้เข้าใจก่อนถ้าฟังไม่เข้าใจก็ไปปฏิบัติคือเอาตัวเราไปปฏิบัติเอาตัวเราไปทําฌาน เอาตัวเราไปนั่งดูการเข้าออกฌานแต่ยังยังเป็นตัวตนอยู่เลยอะ่ะเพราะตรงนั้นอะ่ะพาะเข้าใจผิดนึกว่ายังมีตัวเราแต่การทำฌานอันนั้นอะ่ะจริงๆรมันก็ต้องไปทำแหละเอาตัวเราไปทำก่อนนะแล้วก็ตัวเราก็ไปนั่งดูฌานฌานหนึ่งสสาแต่อันนั้นอะ่ะฌานทั้งหมดอะ่ะมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นแต่ทีนี้ถ้ามีปัญญามันก็ย้อนเข้ามาว่าใครเป็นคนทาฌานก็จะพบว่าเอา้า เฮ้นี่มันตัวเราเป็นผู้ทำฌานนี่แล้วด้วยสติปัญญาก็จะรู้เลยว่าไอ้ตัวผู้ทำฌานมันก็ไม่เที่ยงพอรู้ว่าไอ้ตัวทำฌานไม่เที่ยงมันก็รู้ว่าเอ้ามันไอ้ตัวทำฌานมันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นไม่มีเราพอไม่มีเราเสร็จผู้ทำฌานก็ไม่มีมีแต่ฌานที่มันเป็นแล้วมันแสดงไตรลักษณ์ให้ดูเนี่ยถ้าอย่างถ้าเข้าใจแบบเนี้ยมันก็จะ โอโหไม่ต้องทําฌานก็ได้เพราะว่ามันไม่มีผู้ทำไงแต่ฌานมันก็จะเกิดขึ้นเองตามเหตุตามปัจจัยของมันเขาเรียกว่าฌานแต่ผู้ทําฌานไม่มีนี่มันถึงที่สุดแห่งทุกข์มันจะต้องไม่มีผู้กระทําอะไรมีแต่สภาวะธรรมที่มันเกิดดับเท่านั้นเองเนี่จริงๆนะเรื่องนี้มันก็มันพูดยากอะเพราะคนมันมันก็เชื่อไปแล้วอะเนาะมันบอกต้องทําต้องทําเราก็ถามว่าใครทำอะก็บอกผมจะไปทําฌานอย่างนี้มันก็ผิดตั้งแต่ต้นแล้วไง ใช่ไหมล่ะผมมันมีที่ไหนล่ะตัวเรามีที่ไหนแต่ก็เนื่องจากว่าก็ไม่เข้าใจในเรื่องตรงนี้ไงก็เลยก็เออก็ทําไปก่อนเดี๋ยวก็รู้เองไะว่าฌานจริงๆมันก็ไม่ใช่ใครทํามันเป็นธรรมชาติที่มันปรากฏลักษณะของมันอย่างนั้นอย่างนั้นแต่จริงทําไม่ทําไอ้นั่นก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ามองกันนะท่านก็ไม่ได้ว่าไปหลงไหลในฌานท่านก็ออกมาจากฌานแล้วก็มาเป็นผู้ตื่นรู้คือ รู้สภาวะธรรมที่กําลังปรากฏในปัจจุบันจนรู้แจ้งว่าไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีใครก็แค่เนี้ยมันก็เป็นนิพพานคือพ้นทุกไปเลยเสริมที่พระอาจารย์พูดนะเคยเคยมีคนพูดว่าการเข้าฌานออกฌานก็เหมือนกับเอาน้ำไปเข้าช่องฟิสแล้วก็มันก็แข็งเออแล้วพอออกมาในสภาพปกติมันก็ละลายเหมือนเดิม คือคนที่เข้าใจปรากฏการธรรมชาติมันก็จะเห็นความจริงของน้ําที่มันเอเป็นไปตามสภา พ, าภาพธรรมชาติและไม่ทุกข์กับมันนะเพราะเป็นกระบวนการธรรมชาติแต่คนที่ยังเริ่มต้นใหม่ๆนะคิดว่ามันเป็นกระบวนการของการปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตสงบเอเบื้องต้นเอ ทุกสนักในประเทศไทยก็จะแนะนำผู้ปฏิบัติให้ให้ใช้ชื่อว่าสมถกรรมฐานก็คืออุบายทำให้จิตสงบก่อนพอหลังจากที่จิตสงบก็จะเห็นปรากฏการหนึ่งคืออะไรหายไปในฌานแต่ละฌานทั้งหมดเนี่ยมันจะมีปรากฏการ์ว่าเราต้องบริกรรมวิตกวิจาร์หายไปก็จะได้ฌานขั้นถัดไป ปิติหายไปก็ได้ฌานขั้นถัดไปสุขหายไปก็จะได้ฌานขั้นถัดไปคือทุกอย่างรู้แล้วทิ้งหมดโดยลักษณะของสมถะแต่พอเป็นวิปัสสนาที่เราทิ้งตั้งแต่ต้นเลยเราก็ไม่ไม่อินไปกับปรากฏการณ์ก็คือเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาอย่างหนึ่งเราไม่ลาคาญนะว่าจิตจะมาคิดหรือไม่คิดครั้งหนึ่งหลวงพ่อพูดไปอยู่กับอาจารย์ออพระอาจารย์เสา พระอาจารย์เสาพูดให้ฟังว่าวันนี้จิตมันคิดเยอะหรือเกินอตอนเป็นเนนอาจารย์หลวงพ่อพุดบอกว่ายังไม่เข้าใจหรอกจนกระทั่งตัวเองมาติปฏิบัติจิตบางวันมันก็ฟุ้งมันก็บรรยายสาธยายทำมั่งกิเลสมั่งสเปะสปะตามเรื่องตามราวของมันแล้วก็ผู้ที่ปฏิบัติมาถึงขั้นหนึ่งที่แยกได้แล้วเนี่ยก็เห็นว่า เ, เป็นเรื่องของจิตเป็นเรื่องของมันเราไม่ เพียงแค่รู้อยู่ข้างนอกมีระยะห่างไม่ไปทุกข์กับมันไมว่วุ่นวายับมันไม่ฟุง้งซ่านไม่ลำคาญก็เป็นปรากฏการธรรมชาติอย่างหนึง่งอันนี้ก็เป็นอีกมุ ม, มหนึ่งที่จะแบ่งให้กันฟังวันนี้นะเนี่ยนะเรื่องธรรมะเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจนะแต่หมายถึงว่าเข้าใจจริงนะมันมันง่ายไปหมดเลยไม่มีอะไรยากหลวงพ่อยกตัวอย่างนะเอาสมมติว่า เข้าใจในเรื่องอสุหจากการได้ยินได้ฟังเลยนะอาจจะได้ยินหลักที่คำสอนที่ท่านบอกว่ า, าสังขารทั้งหลายเนี่ยที่เป็นรูปธรรมนามธรรมเนี่ยนะมีความไม่เที่ยงเขาเรียกว่าเป็นอนิจจังนะแล้วก็สังขารทั้งหลายรูปธรรมนามธรรมมันเป็นทุกข์เป็นทุกขังนะแล้วก็สัพเพมาอนัตตาคือธรรมทั้งหลายทั้งปวง นะทั้งที่เป็นสังขารและมีใช่สังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสมมตินี่เราฟังตรงนี้เข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องความมีแล้วหมดไปเข้าใจเรื่องความทุกขทนได้ยากเข้าใจเรื่องว่าอ๋อไม่มีตัวตนมีแต่สังมีแต่ธรรมะที่เป็นอนัตตาการปฏิบัติมันจะยากยังไงอ่ะเพราะว่าเอาสมมติว่าจะไปทาสมาธิน ะ, ะสมมติว่าเราบอกว่าไปทาสมาธิ แล้วก็ส่วนเราจะอยู่ในท่าท่านั่งก็เพียงแต่มีสติเป็นเบื้องต้นก่อนคือรู้ว่าตอนนี้กำลังนั่งอยู่คือสติเนี่ยมันสำคัญมากสำคัญคือมันจะต้องรู้รู้ตัวมีความระลึกได้แล้วก็พอนั่งเนี่ยก็รู้ตัวแล้วว่าอ่าตัวนั่งแล้วแล้วตัวนั่งยังไงก็ให้รู้ไปว่าเออกำลังนั่งในท่าตรง ขาทับกันยังไงมือซ้อนกันยังไงก็รู้อยู่อย่างเนี้ยเขาเรียกว่ารู้ตัวรู้ตัวมันก็รู้นะตอนนี้เราไม่ต้องใช้ตาดูเนาะแต่มันรู้เลยรู้ปัจจุบันรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้กันเลยแล้วก็รู้อยู่แล้วก็ต่อมาก็รู้อยู่อย่างเนี้ยว่าตัวเองยังนั่งอยู่ในท่าไหนก็รู้ไปเนี่ยสุโมระจะจะมองในที่ตัวนะเราไม่สนใจเรื่องจิตไม่สนใจเรื่องอะไรทั้งนั้นก็รับรู้ที่ตัวว่าอ๋อตัวนั่งยังไงล่ะก็รู้อย่างนั้นนะ ตัวนั่งหายใจอยู่ก็รู้ตัวนั่งปิดตาอยู่ก็รู้ตัวแล้วมันรู้สึกเจ็บเจ็บคันคันตามตัวก็รู้แล้วก็เออความเมื่อยความอะไรมาเยือนแล้วก็รู้นะนั่งรู้อยู่แบบนี้ไม่ต้องมีความอยากอะไรหรอกเพราะว่าสภาวะธรรมเนี่ยมันปรากฏอยู่แล้วนะถ้ามีสติมันก็จะเห็นว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นยังไง โดยที่ไม่ต้องมีความอยากอะไรหรอกเพราะว่าจะอยากอะไรล่ะเพราะว่าในหลักสติปัฏฐานเนี่ยเพียงแต่บอกว่าให้รู้ให้รู้ตัวเนาะรู้สิ่งที่กำลังปรากฏมันปรากฏอะไรก็รู้ไปอย่างนั้นกายนั่งอยู่ในอาการอย่างไรอย่างไรก็รู้ว่าอยู่ในอาการอย่างนั้นอย่างนั้นอ่รู้อยู่กับตัวแล้วก็รู้อยู่อย่างเนี้ยเดี๋ยวในตัวเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าธรรมะปรากฏอ่าธรรมะเขากำลังแสดงให้ดูให้รู้ว่า มันมีอาการอย่างไรมีอาการอย่างไรอย่างไรก็รู้ว่ามีอาการอย่างนั้นอย่างนั้นรู้ตามที่มันมันมีมันเป็นรู้อยู่อย่างเนีย้ voilà. ยเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเข้าใจตรงเนี้ยมันไม่ได้ยากอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรสักอย่างนึงมีแต่นอกจากว่าเออเนียเหมือนกับรู้มันอ่ะอย่าหลับอย conclude. ่าเมื่อเพลินเนี่ยอย่าไปเพ่งอย่าไปจ้องอะไรนักหนาเอาแค่นั่งสบายสบายแล้วก็ มันก็จะรู้รู้รู้ไปเรื่อยเนี่ยรู้ไปเรื่อยรู้ไปรู้ไปเนี่ยแล้วความคิดความคิดเดี๋ยวมันก็คิดนู่นคิดนี่คิดเรื่องธรรมะคิดเรื่องอะไรไม่รู้มันก็คิดแต่ก็รู้ได้เนาะมันคิดก็รู้มันคิดมากก็รู้มันคิดน้อยก็รู้มันสงบก็รู้มันไม่สงบก็รู้มันเจ็บมันปวดก็รู้มันมันคันคยึกบยึ๊อะไรก็ก็รู้ก็รู้ เนี่ยแบบนี้มันไม่ได้ยากอะไรที่มันไม่ยากเพราะว่ามันไม่ได้เอาอะไรนี่ไม่ได้เอาอะไรไม่ได้ต้องการอะไรรู้อย่างเดียวรู้แต่พื้นแต่ฟื like อ, อไปเมื่อรู้อย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่ากําลังเห็นความจริงอยู่เขาเรียกว่ากําลังเดินปัญญาอยู่ว่าโอ้สิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้วมันก็แปรปวนอยู่อย่างเนี้นะเห็น mm. อยู่ มันอาจจะมีอาการถูกใจบ้างก็รู้ว่าถูกใจมีอาการไม่ถูกใจบ้างก็รู้ว่าไม่ถูกใจคือใช้หลักความคืใช้หลักรู้อย่างเดียวคือใช้หลักรู้นะคือถ้ารู้เนี่ยถูกต้องแล้วรู้รู้ไปแต่ไม่ได้ไปยึดถือสิ่งใดนะไม่ยึดถือสิ่งที่ไปรู้หมายความว่าอะไรปรากฏให้รู้อย่าไปยึดถือสิ่งนั้นเพียงแต่รู้นะเพียงแต่รู้จําหลักตรงนี้ให้แม่นเล ย, เ, ลยเพียงแค่รู้เพียงแต่รู้ เออมันจะเจ็บจะปวดก็รู้แล้วมันมันมีอาการขยับขยับก็รู้แล้วรู้อย่างเดียวรู้อย่างเดียวไม่ต้องไปไปเป็นไปได้ไปอะไรทั้งหมดเนี่ยถ้าเข้าใจถูกนะการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะง่ายมันเป็นแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นคือตื่นรู้ตื่น ร, นรู้ต่อสภาพธรรมะที่กำลังปรากฏแค่นี้เองแล้วมันก็ผ่านไปแล้วก็พอเลิกจากการนั่งแบบนั้นเนาะจะลุกจะเดิน ก็รู้อี ก, กั้นแหละว่าเออกำลังเดินและกําลังเคลื่อนไปแล้วกาลังเดินและกําลังเคลื่อนระหว่างเดินมันก็มีความคิดเนาะก็รู้ว่ามันมีความคิดระหว่างเดินมันก็อาจจะมีความสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยเนี่ยใช้หลักรู้อย่างเดียวไม่มีเป็นอื่นนี่คือหนทางที่ถูกเพราะว่าลองสังเกตดิเวลาเราฟังใครเขาพูดเขาตามเขาบอกรู้มันรู้มันรู้มันเพราะฉะนั้นเนี่ยแก่นของมันเนี่ยคืออยู่กับรู้ แต่ก็ไม่ยึดไม่ถือไม่เป็นอะไรได้แต่รู้แต่พุตะพือไปรู้อย่างเงี้ยจนกว่านุ่นสิ้นลมหายใจอ่นนะแน่เออก็ไม่มีอะไรหละ ว, วันนี้หลวงพ่อพูดแต่เรื่องรู้เลยนะถ้าไปพูดเรื่องเรื่องเอาเรื่องเป็นเรื่องอยากได้อยากมีอันนั้นนอกทางหมดให้กลับมานี่มาทางนี้มาทางนี้ก็คือรู้ต่อสภาวะธรรมที่กําลังปรากฏในกายในใจรู้ตามที่มันแสดงอนี่แหละคือหลักของมัน มีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังเหมือนอการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องแบบวางจิตใจแบบเด็กๆ เ, เล่นๆอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังสนุกๆ ส, สั้นๆแต่ว่าต้องใช้เวลาปฏิบัติสักพักหนึ่งถึงจะเข้าใจกันยกตัวอย่างน ะ, ะสมมติว่าเรา ตอนนี้ปัจจุบันเนียเราเอาจิตไปไว้ที่หูเราไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยนะหูทาหน้าที่ของหูเสียงก็ทาหน้าที่ของเสียงเสียงวิ่งเข้าหูทุกอย่างมันรู้โดยตัวของมันเองเออตามธรรมชาติเจตนารู้มีไหมก็ไม่มีเสียงมันวิ่งของมาเองเออคนอยู่ป่าก็จะได้ยินเสียงนกเสียงกาคนอยู่ในเมือง อยู่ในตลาดก็จะได้เสียงจอแจของผู้คนของรถยนต์ถามว่ามันรู้นะแต่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือเราเจตนาเลือกที่จะรู้มันเหมือนกับว่าสิ่งที่เรารู้ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมที่พระอาจารยา์บอกให้เรารู้แต่ว่าเราจะถล่เข้าไปว่าสิ่งนี้เราชอบนะสิ่งนี้เราไม่ชอบแ้าเราจะไปเลือก จัดการมันมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาเบื้องหลังจากที่เรารู้อลองลองพิจารณาดูกันที่เราอยู่ตอนนี้ขณะ น, นี้เวลานี้แต่ละคนมีสภาพสิ่งเวล ม, มไม่เหมือนกันแต่ว่ามีเสียงวิ่งเข้ามาที่หูเร า, เาใช้คำว่าฟังก์ชันของหูมันก็คือได้ยินทีนี้ ปรากฏการทั้งหมดที่พระอาจารย์บอกเรามานั้นก็คือใจฟังก์ชั่นของมันก็คือรู้ตรงนี้แหละถ้าเราเข้าใจกับรู้คือพระอาจารย์ฝึกมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยมีความชํานาญในการรู้แล้วแหละแต่สําหรับคนที่เพิ่งฟังครั้งแรกเนี่ยงงรู้แล้วแล้วก็ไม่รู้ว่ารู้อะไรแล้วจะได้อะไรไม่เห็นจะรู้เรื่องสิ่งเนี้ฟังง่ายแต่ว่าเข้าใจยากแล้วก็ปฏิบัติยากก็ เป็นอีกมุมหนึ่งที่นํามาคุยกันวันนี้นะผนก็ก็จริงนะสมัยหลวงพ่อปฏิบัติทํามใหม่ๆอะ่ะคือมันใหม่จริงๆอะ่ะคือมันไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่รู้เลยว่าธรรมะมันคืออะไรนะแล้วปฏิบัติเนี่ยมันต้องปฏิบัติไปถึงไหนแล้วมันต้องรู้อะไรถึงจะเรียกว่ามันมันถึงที่สุดของการปฏิบททัติธรรมะ ไม่รู้เลยโยมไม่รู้แม้กระทั่งหลวงพ่อเนี่ยได้ได้แนวการปฏิบัติตามหลวงพ่อเทียนนี่นะยกมือสิบสี่จังหวะเนี่ยตอนนั้นแหละโอเคที่เราเรามีความทุกข์คือมันมีความคิดมากน ะ, ะมีความคิดมากนอนไม่หลับกลุ้มอกกลุ้มใจก็อยากจะหาทางออกจากทุกข์ก็เลยเข้าคอร์สปฏิบัติธรรม แล้วก็พอได้อุบายวิธียกมือสิจังหวะรู้สึกตัวเนี่ยความรู้สึกว่าเออความคิดน้อยลงความคิดน้อยลงรู้สึกมันสบายใจขึ้นมันก็มีความพึงพอใจอ่ะชอบพอชอบเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่ามันบอกกับตัวเองว่าโอ้ทางนี้ใช่เลยนะแก้ทุกข์เราได้ทําให้เราเนี่ยไม่เครียดเหมือนก่อนแล้วพอมันชอบมันก็ขยันแต่หลวงพ่อไม่รู้หรอกว่าไอปลายทางถึงที่สุดของมันอ่ะมันคืออะไรแล้วมันต้องรู้อะไรมันต้องไปเห็นอะไร มีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อนั่งยกมือสิบสี่จังหวะอยู่ตรงสระน้ําเนะาะสระน้ําที่เป็นสวนสุขภาพอะ่ะที่มีการออกกําลังกายหลวงก็หลวงพ่อก็ไปนั่งยกมือสิบสี่จังหวะหลวงพ่อก็มองไปที่สระน้ำเนาะดูน้ําไปแล้วระหว่างยกมือนอะ่ะมันก็เผลอไปคิดว่าเออสงสัยเราฝึกปฏิบัติธรรมเนาะฝึกมากๆเนี่ยมันจะต้องเห็นสิ่งแปลกๆที่มันผุดมาจากใต้ดิน มันผุดมาในน้ำนี่แหละในศาสร์เนี้ยแล้วมันก็ขึ้นมาแบบไม่รู้เป็นตัวอะไรแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยพบมันอาจจะปรากฏขึ้นในระหว่างที่เราฝึกสติแบบเนี้ยมดูสิว่าไอ้ความไม่รู้เนี่ยไอ้ความไม่รู้เนี่ยมันก็คิดไปต่างๆนานาว่าธรรมะนะเมื่อปฏิบัติถึงจุดหนึ่งมันจะต้องได้พบได้เห็นอะไรไม่รู้ที่มันปรากฏที่มันแปลกๆ หลวงพ่อก็เลยจินตนาการไปตอนนั้นก็ยังมืดมนนะว่ามันมันคืออะไระทีเนี้มันต้องใช้เวลาอีกเยอะนะอีกใช้เวลาก็คือทั้งปฏิบัติเรื่องรู้ความรู้สึกตัวและก็ฟังจากที่ผู้รู้เนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยที่ท่านปฏิบัติมาก่อนแล้วท่านก็จะบอกจะบอกสุดท้ายมันก็ค่อยๆเข้าใจมาตามลำดับว่าอ๋อการปฏิบัติธรรมที่ท่านบอกว่าให้มารู้กายรู้ใจเนี่ย ก็เพื่ออะไรก็เพื่อให้เห็นความความแปลปรวนนะความแปลปรวนในร่างกายเนี่ยมันแปลปรวนยังไงอ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันมีความเช่นร่างกายมันมีความแปลปรวนก็คือเดี๋ยวปวดหัวตัวร้อนเดี๋ยวเป็นไข้ใช่ไหมเดี๋ยวปวดฟันเดี๋ยวปวดเป็นไข้หรือว่ามีความเจ็บความปวดท่านบอกให้ดูให้รู้ตรงนั้นแหละเห็นว่ามันไม่แน่ไม่นอนบางทีมันดีบางทีมันปกติแต่บางทีมันแปลปรวนมาก ให้เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็จิตใจก็เหมือนกันให้เห็นถึงความรู้สึกในทางจิตนะรู้สึกเช่นมันมีความพอใจไม่พอใจหรือว่าความโกรธความโมโหความโลภความอยากได้ให้เห็นมันให้เห็นมันว่ามันแปรปรวนมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอนอพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วโอเคเห็นแล้วแหละแต่ลึกๆคือมันไม่ชอบในบางเรื่อง นะเช่นความเจ็บป่วยความปวดเนี่ยเวลาปฏิบัติอ่ะมันทั้งปวดทั้งเมื่อยแล้วมันทั้งวงนอนทั้งโอยสารพัดแล้วมันก็สงสัยว่าแล้วรู้ไปทำไมอ่ะเนี่ยไม่ปฏิบัติยังดีกว่าซะอีกจะได้ไม่ต้องรู้สิ่งนี้แล้วก็พักผ่อนนอนสบายแต่ครูบาอาจารย์บอกว่าไม่ได้ต้องเห็นมันเพราะว่าอตัวเนี้ยมันแสดงความจริงอยู่เราจะเอาแต่ความสบายยังไม่ได้เพราะว่าเนี่ยร่างกายมันแสดงความทุกข์ให้เห็นจิตใจมันก็แสดงความทุกข์ให้เห็น คือมันเกิดมีการเกิดให้เห็นแล้วมันก็เป็นทุกข์ในตัวของมันใจชอบหรือไม่ชอบก็ก็ต้องดูต้องรู้เพื่อจะปล่อยวางเพื่อจะปล่อยวางก็หมายความว่าเมื่อรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยอย่าไปหลงยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเรานะเพราะสิ่งพวกเนี้ยมันไม่เที่ยงมันมีแล้วหมดไปจะยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนได้อย่างไงถ้ายึดสิ เดี๋ยวเวไอพวกนี้มันดับไปมันหายไปแล้วเราจะเป็นทุกข์เองเพราะไปยึดกับสิ่งที่มันไม่เที่ยงไปยึดกับสิ่งที่มันเป็นทุกข์ไปยึดกับสิ่งที่มันไม่มีตัวตนมันไม่เป็นตัวเป็นตนเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้รู้แจ้งรู้ไปเหรอรู้ไปรู้ไปแต่ว่าอย่าหลงยึดอย่าอย่าเอาอย่าเอาอย่าเป็นกับสิ่งนั้นให้เห็นมันโอ้กว่าจะเข้าใจนะก็ต้องฝึกเยอะเยอะเยอ แต่สุดท้ายน่ะโยมปฏิบัติไปก็คือให้รู้ให้เห็นต่อปรากฏการต่อสิ่งที่ปรากฏแล้วไม่หลงยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเพราะจริงๆมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตนถูกต้องแล้วแหละแต่ว่าด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้เนี่ยก็ยังยึดอยู่ว่าไอ้ความเจ็บก็เป็นเราไอ้ความปวดก็เป็นเราไอ้ร่างกายก็เป็นเราจิตใจที่เป็นความคิดก็เป็นเราความรู้สึกสุขทุกข์สบายไม่สบายก็เป็นเรา รวมถึงผู้รู้ก็ยึดว่าเราเป็นคนรู้มันยึดทั้งหมดเลยอ่ะเพราะฉะนั้นที่ปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยก็คือท่านสอนว่าทำทั้งปวงเนี่ยทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็หมายความว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมะหมดแหละเออมันเป็นธรรมชาติร่างกายนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะใช่ไหมฮะจิตใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆมันก็เป็นธรรมชาติก็คือเป็นธรรมะ เพราะฉะนั้นทั้งร่างกายทั้งจิตใจมันก็เป็นธรรมะไอ้ธรรมเนี่ยธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยอย่าไปหลงยึดถือว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นเราอ่าอย่าไปหลงยึดถือเมื่อก่อนเน่ยมันหลงยึดเพราะฉะนั้นปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันยึดไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเออพอถ้ามันใจมันยอมเมื่อไหร่แล้วว่ามันรู้ว่าเออยึดไม่ได้ยึดไม่ได้ใจมันก็ถอดถอนคือมันรู้เลยว่าถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์ถ้ายึดแล้วเป็นทุกข์ มันก็เลยได้แต่รู้เพราะว่าธรรมชาติรู้เนี่ยที่ที่หลวงพ่อก็พูดถึงบ่อยๆว่ามันมีอยู่แล้วมันก็รู้ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ได้แต่รู้แต่อย่าหลงไปเป็นไปยึดให้รู้อยู่อย่างเนี้ยหลวงพ่อก็เลยเมื่อกีน้เน้นเลยว่าอะไรเกิดขึ้นก็คือรู้อย่างเดียวรู้มันรู้มันรู้ตามที่มันเป็นแหละเนี่ยถ้ารู้อย่างนี้แล้วก็ไม่ยึดนะมันก็คือคือพ้นทุกข์มันพ้นทุกข์ แต่ถ้ารู้แล้วยึดก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นให้สักแต่รู้ทุกสรรพสิ่งที่มันรู้ได้ที่กำลังปรากฏนั่นแหละตรงนั้นแหละพ้นทุกข์ถ้ารู้ในปัจจุบันแล้วก็ไม่ยึดในปัจจุบันก็คือพ้นทุกข์ถ้ารู้ในปัจจุบันรู้แล้วยึดมันก็เป็นทุกข์ในปัจจุบันก็มันอยู่ที่ตรงนี้แหละเพราะนั้นจุดจบของมันก็คือว่าแค่รู้แล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใด นะไม่ว่าจะเป็นทมฝ่ายปรุงแต่งหรือทมที่ไม่ปรุงแต่งนะไม่ยึดถือทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็คือมันจะจบลงที่ตรงนี้อ่นะวันนี้ก็หลวงพ่อก็บอกนะบอกใกล้ชัดเจนเลยว่าแผนที่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตแบบนี้นะเพราะนั้นก็ก็ลองไปฝึกปลือฝึกฝึกอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนหรือครูบาอาจารย์ท่านสอนนั่นแหละนะ รู้ไปอย่างที่หลวงพ่อสรุปอย่างย่อๆให้ฟัง เ, เสริมเสริมเสริมสิ่งที่หลวงพ่อพูดอะนะเ อ, อเราต้องลองผิดลองถูกผิดสอนให้เรารู้ผิดสอนให้เราไม่ผิดไม่รู้ก็จะสอนให้เรารู้กว่าหลวงพ่อจะมาบอกให้เราฟังเชื่อว่าหลวงพ่อก็ลองผิดลองถูกมาไม่น้อยนะครับเวลานะที่ หลวงพ่อได้พูดคุยเรื่องธรรมะหลวงพ่อจะเน้นในเรื่องของความรู้สึกตัวก็คือมีสติให้รู้ตัวเรานี่แหละรู้ในส่วนของร่างกายของจิตใจนะเพราะว่าในธรรมะทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยมันก็อยู่ในนี้แหละนะคือจริงๆข้างนอกมันก็เป็นธรรมะตัวเราทั้งกายทั้งใจมันก็เป็นธรรมะ แกการที่จะเรียนให้รู้ให้เข้าใจเนี่ยมาเรียนรู้ที่ตัวเราเนี่ยมันง่ายที่สุดเพราะว่าทุกอย่างมันมีครบหมดเลยในตัวเรานะสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏมันก็มีนะสภาพธรรมะที่รับรู้สิ่งที่ปรากฏมันก็อยู่ในตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีทั้งสิ่งที่ถูกรู้และมีทั้งผู้รู้นะมันก็อยู่ด้วยกันอะไรเกิดขึ้น อะไรปรากฏขึ้นธรรมชาติรู้ที่มีอยู่ในตัวมันก็รู้นะอะไรที่ดับไปนะอะไรที่ดับไปธรรมชาติรู้ที่อยู่ในตัวมันก็รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเราเนี่ยมันมีธรรมชาติอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งเป็นธรรมชาติที่รู้จริงเป็นพุทธะก็อยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเราเนี่ยที่เกิดที่ดับ ที่จัดจรู้ก็มีครบหมดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยเราจึงไม่ต้องไปหานะเรื่องความพ้นทุกข์เรื่องความดับทุกข์นอกตัวนะเพราะว่าบางทีถ้าเราไปหามากมันก็ทำให้เนิ่นช้าเสียเวลาเพราะเอาตัวเราไปแสวงหาเอาตัวเราไปตามล่าแต่ไม่เห็นตัวเราสักทีหนึ่งว่าไอ้ตัวเรานี่แหละคือเป็นสิ่งที่เกิดที่แก่ที่เจ็บที่ตายยึดถือไม่ได้ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นตัวเรารู้ตัวเราก็คือเพียงแต่รู้ว่าสิ่งเนี้ยังมีอยู่แต่ก็ไม่มีใครยึดถือสิ่งนี้มีอยู่แต่ไม่มีใครยึดถือเมื่อไม่มีใครยึดถือและไม่มีใครเป็นผู้รู้ตรงนี้แหละมันถึงจุดจบก็คือสู่ความเป็นอมตะธรรมคือเป็นนิพพานที่เป็นนิพพานเพราะว่าไม่มีตัวเรา มีแต่ธรรมชาติล้วนๆนะเพราะนั้นความไม่มีตัวเรานั่นแหละคือนิพพานวันนี้ก็หลวงพ่อก็คงจะสรุปได้แค่นี้